พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสามพระสูตรที่สิบอปันนกัสสูตรสูตรว่าด้วยธรรมะที่ไม่ผิดพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หม่เสด็จแวะพักณนะบ้านพราหม์ชื่อสาลาได้ตรัสถามพราหม์ครืหบดีชาวบ้านสาลาว่าท่านมีศาสดาใดๆ ที่น่าพอใจที่ท่านได้ศรัทธามีอาการอันดีบ้างหรือไม่เมื่อเขาตอบว่าไม่มีจึงตรัสว่าเมื่อพวกท่านไม่ได้ศาสดาที่น่าพอใจก็จงสมทานประพฤต ธ, ธรรมะที่ไม่ผิดธรรมะที่ไม่ผิดที่สมบูรณ์แล้วสมทานแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ท่าน ธรรมะที่ไม่ผิดข้อแรกครั้นแล้วตรัสขยายความเรื่องธรรมะที่ไม่ผิดต่อไปสรงแสดงถึงสมณพราหมณ์ที่เห็นว่าไม่มีหรือนัตถิกะทิฏฐิเช่นไม่มีผลของกรรมดีกรรมชั่วกับสมณพราหมณ์ที่เห็นเป็นปฏิปักกันคือเห็นว่ามีพวกที่เห็นว่าไม่มีหวังได้ว่า จะเพิกถอนสุจริตทางกายวาจาใจสมทานประพฤติทุจริตทางกายวาจาใจเพราะไม่เห็นโทษของอกุศลธรรมไม่เห็นอนิสงค์ของกุศลธรรมความเห็นความดำริและคำพูดถึงโลกหน้าซึ่งมีอยู่ว่าไม่มีดังนี้ย่อมเป็นความเห็นผิดความดำริผิดและคาพูดผิดเขาย่อมกล่าวเป็นปฏิปักษ์ต่อพระอรหันต ผู้รู้จักโลกหน้ายอมทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าโลกหน้าไม่มีอันเป็นการบัญญัติต่อสัตยธรรมและยกตนข่มผู้อื่นเพราะเหตุนั้นเดิมีศีลดีก็ละซะตั้งความเป็นผู้ทุศีนมีความเห็นผิดความดาริผิดคำพูดผิดมีความเป็นปฏิปักษ์ต่อพระอริยเจ้ามีการบัญญัติอสัตยธรรม มีการยกตนข่มผู้อื่นชนนี้อกุศลธรรมจึงชื่อว่าเกิดมีขึ้นเพราะความเห็นผิดเป็นปัจจัยในข้อนั้นวินยูชนพิจารณาเห็นว่าถ้าโลกหน้าไม่มีคนคนนี้ตายแล้วจะทำตนให้ปลอดภัยได้แต่ถ้าโลกหน้ามีก็จะเข้าถึงอบายทุกติวินิบาทนรก แม้สมณพร า, มาหมณ์จะกล่าวไว้ว่าโลกหน้ามีถ้อยคำของสมณพราหมณ์เหล่านั้นจะเป็นจริงหรือไม่จงยกไว้แต่คนคนนี้ที่ทุศีลมีความเห็นผิดพูดว่าผลของบุญบาปไม่มียอมถูกวินยูชนติเตียนในปัจจุบันถ้าโลกหน้ามีคนคนนั้นก็ถือเอาโทษทั้งสองฝ่ายคือถูกติเตียนในปัจจุบันและตายไป ก็จะเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนารกคนคนนั้นชื่อว่าถือผิดสมาทานผิดซึ่งอปันนกะธรรมหรือธรรมะที่ไม่ผิดแผ่ไปแต่ความเห็นแง่เดียวของตนเว้นฐานะอันเป็นกุศลส่วนผู้เห็นว่ามีซึ่งเป็นทางตรงกันข้ามชื่อว่าถือถูกสมาทานถูกซึ่งอปันนกะธรรมแผ่ไปซึ่งส่วนทั้งสอง ทั้งวาทะของตนและวาทะของคนอื่นเว้นฐานะอันเป็นอกุศลธรรมะที่ไม่ผิดข้อที่สองสมณพราหมบางพวกกล่าวว่าทรรมไม่เป็นอันรธรทร ม, รรมในที่นี้สะกดด้วยทหารที่หมายถึงการกระทานะครับรรมไม่เป็นอันรรมหรืออะคิริยะทิฏฐิ เช่นค่าสัตว์ลักทรัพย์ก็ไม่เป็นอันค่าสัตว์ไม่เป็นอันลักชื่อว่าเป็นฝ่ายถือผิดส่วนที่เห็นว่าทำเป็นอันธรรมหรือกระทำแล้วเป็นอันทรรมแล้วชื่อว่าถือถูกสมาทานถูกซึ่งอปันนกธรรมธรรมะที่ไม่ผิดข้อที่สามสมณพราหมณ์บางพวกกล่าวว่า ไม่มีเหตุปัจจัยแห่งความเศร้าหมองหรือผ่องแพ้วของสัตว์ทั้งหลายคืออเหตุตุกะทิฏฐิสัตว์ทั้งหลายเศร้าหมองหรือผ่องแพ้วเองโดยไม่มีเหตุปัจจัยชื่อว่าเป็นฝ่ายถือผิดส่วนที่เห็นว่ามีเหตุปัจจัยชื่อว่าถือถูกสมทานถูกซึ่งอปันนกะธรรมธรรมะที่ไม่ผิดข้อที่สี่ สมณพราหมณ์บางพวกกล่าวว่าไม่มีพรหมโลกที่ไม่มีรูปด้วยประการทั้งปวงแต่บางพวกกล่าวว่ามีด้วยประการทั้งปวงพวกที่เห็นว่ามีย่อมปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพื่อดับรูปทั้งหลายถือเป็นฝ่ายไม่ผิดธรรมะที่ไม่ผิดข้อที่ห้าสมณพราหมณ์บางพวกกล่าวว่า ความดับพบไม่มีด้วยประการทั้งปวงแต่บางพวกกล่าวว่ามีด้วยประการทั้งปวงพวกที่เห็นว่ามียอมปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพื่อดับพบคือความมีความเป็นทั้งหลายบุคคลสี่ประเภทครั้นแล้วตรัสแจกบุคคลสี่ประเภทหนึ่ง ทำตนให้เดือดร้อน 2. ทํทำผู้อื่นให้เดือดร้อน 3. ทํทำทั้งตนทั้งผู้อื่นให้เดือดร้อน 4. ไม่ทำทั้งตนทั้งผู้อื่นให้เดือดร้อนพร้อมทั้งคําอธิบายดังที่ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายในภาคหลังของกันทรากรสูสูที่1แห่งพระไตรปิฎกเล่มที่1ิบาม